ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะดิฉันสันสนีนาคพงษดำเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอ็มร้อยหกพระภบูรณอภิปุโนจากวัดป่าดอนายโซอุดรธานีเปิดทมที่ถูกปิดด้วยผุ้ทวจนะให้กับเราค่ะกราบน้อมส ก, การกันทั้งคะเจนวานค่ ะ, คะวันนี้อยากจะนําเสนอข่าวนิดหนึ่งเพราะน่าสนใจคือเรียนคิดว่าสังคมจะอยู่ได้เนี่ยคนแห่งอนาคตเราต้องให้ความสําคัญ ซึ่งเด็กๆใ ก, กล้ถึงวันเด็กด้วยนะคะเขาก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นมาว่าฝันอยากจะเป็นอะไรกันบ้างโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า a d เดโกค่ ะ, ะเขาบอกว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยยังอยากเป็นหมอเพราะว่าไรายได้ดีแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นนายกเนี่ยจะดูแลช่วยเหลือประชาชนต่อต้านการโกงนะคะแล้วก็เด็กๆ ต้องการเงินเดือนประมาณสักเดือนละหมื่นเดือนละแสนเด็กๆฝันสารพัดอย่างแต่ว่าฝันเป็นนักธุรกิจน้อยที่สุดกว่าปีที่ผ่านมาแค่3กว่าปอรซ์ซ mm. แล้วก็เด็กก็สนใจจะอยู่กับครอบครัวถึง9าเเพราะว่าทำให้มีความสุขกับเด็กอยากใช้เวลานะะในการศึกษาเล่าเรียนทั้งหลายเนี่ยให้เจริญก้าวหน้า <Wow. S 2> คือ ให้ความสําคัญกับการเรียนปีหน้าก็อยากพัฒนาตัวเองให้เรียนดีขึ้นทําให้เกรดดีขึ้นอยากไปเทียบเป็นเรื่องรองคือฟังดูแล้วนี่สบายใจเลยนะคะว่าเด็กไทยรักดีแล้วก็ฟังดูแล้วห่วงน้อยลงจากการที่มีคนมาตําหนเิเรื่องของเกี่ยวกับการศึกษาดิฉันเชื่อว่าเด็ก เ, เป็นเชื้อที่ดีแต่ทําไมเวลามีผลสํารวจออกมาเนี่ยจะพูดในทิศทางที่เหมือนกับว่าโอ้การศึกษาไทยแย่เด็กไทยแย่ลงอ่อนด้อย ทีนี้ในเมื่อเด็กทั้งหลา ย, ยมีความฝันนี้แล้วตัวเองสรุปในเรื่องของถ้าเป็นส่วนที่ผู้ใหญ่ต้องทําให้เด็กเนี่ยก็คือต้องให้คหํานึงถึงว่าต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่มเมล็ดพันธุ์จะงอกงามได้ไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเราให้ปุ๋ยดีให้อะไรดีนะคะแต่ว่าในส่วนของธรรมะเนี่ยความฝันของเด็กๆะค่ะเผื่อคุณพ่อคุณแม่จะไปช่วยบอกลูกว่าไอ้ที่ฝันๆไว้เนี่ยฝันอย่างเดียวไม่สําเร็จนะลูก มีวิธีทางธรรมไหมคะที่จะช่วยให้ฝันเด็กสําเร็จค ะ, ะการที่จะทําความปรารถนาคือหมายว่าเราตั้งใจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยความตั้งใจนั้นจะสําเร็จหรือไม่อันนี้มันก็มีคุณนรมที่พระเจ้าพูดถึงคืออิทธิบาท4แต่ที่อิทธิบาทีนี้ไม่ใช่จํากัดเฉพาะเด็กนะคือคือคทุกคนนั่นแหละถ้าจะต้องการความสําเร็จในชีวิตก็ต้องเจริญอิทธิบาสีประเด็นที่อาตมาต้องการจะจะพูดถึง อย่างสมมุติความฝันของเด็กอะไรต่างๆเนี่ยเขามีได้ไม่มีปัญหาตามจินตนาการที่เขามีแต่หน้าที่ของผู้ปกครองที่สําคัญที่จะต้องสนับสนุนให้เด็กเขาเป็นไปเนี่ยเออมันมีอยู่อยู่6กอย่างเออซึ่งซึ่งอะไรจะขอพูดในที่นี้นะอันดับแรก <Okay. S 1> ไม่ว่าเขาจะฝันเป็นตำรวจทหารหมอนักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เถอะนะคุณต้องหนึ่งให้เขาห้ามเสียจากบาปนะสให้เขาตั้งอยู่ในความดีอันนี้ต้องมาคู่กันนะนักธุรกิจชั่วก็มีหมอชั่วก็มี คุณครูชั่วก็มีนักธุรกิจดีก็มีหมอดีก็มีคุณครูดีก็มีไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรให้เขาเป็นคนดีให้เขา <Okay. S 1> ตั้งอยู่ในความดีอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเลยอันนี้ต้อง <Okay. S 1> ต้องทาทีนี้อดีมันต้องคู่กับชั่วคือมันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้า <Okay. S 1> เขาทําความชั่วทําความผิดทําความไม่ดีเราต้องเตือนเขาห้ามเขา <Okay. S 1> นะห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีจึงเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากนะในการที่เราจะไกด์ในการที่เราจะ ให้การสนับสนุนเข้าไปในทิศทางที่เขาต้องการไปอันนี้พ่อแม่ผูป้ปกครองใช่ไหมคะใช่ใช่ต้องต้องเป็นคนที่คอยที่จะเป็นโคช้ชใหนะ้คอยบมรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่พวกบุตรธิดาเหล่านี้นะสองอย่างนี้สำคัญนะอันที่ทสามอาจารย์าค่ะนิมนต์ท่านค่ะอันที่สามก็คือให้ศึกษาศิลปวิทยานะคือถ้าเขาต้องการเป็นอะไรเราก็สนับสนุนเข้าในทางนั้น จะต้องเรียนพิเศษเพิ่มหรือว่าให้ให้คําแนะนำแนะ น, นํนาในการที่จะไปศึกษาต่อหรือให้ความรู้ในทิศทางที่เขาต้องการจะเป็นไปนะอันนี้ข้อที่3ต้องสนับสนุนกันตรงนี้นะคือบางคนเนี่ยพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอก็อยากให้ลูกเป็นหมอลูกจะเป็นนักกฎหมายไม่ได้นะปู่เชนก็เป็นหมอเธอต้องเป็นหมอสิอย่างเงี้ยมันก็มันก็คงจะคงจะต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะห้เขาเสียจากบาปนะอันนี้คือคือข้อที่3 ส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือการที่มอบมรดกให้ตามเวลาหน้าที่ของมาดาบิดามรดกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นอามิตรสิ่งที่เป็นข้าวของเท่านั้นนะแต่อาจจะเป็นมรดกหมายถึงคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวพ่อแม่มีมอบให้ลูกไว้ในการที่จะดํารงชีวิตต่อไปได้เนี่ยก็การปฏิบัติเป็นตัวอย่างนี่จึงเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากๆตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด พ่อแม่ควรจะทำเช่นไรแต่ว่าเด็กเนี่ยพ้นอกพ่อแม่ไปไปอยู่ในมือครูค่ะท่านคะ <laughs> ครูบาอาจารย์ต้องทำอะไรตามธรรมเป็นพิเศษให้กับเด็กๆไหมคะอ่าหนะ้าที่ของคุณครูที่มีต่อต่อต่ อ, ตอนักศิษ์ลูกศิษย์หรือนักเรียนเนี่ยก็คือการให้เขาศึกษาอย่างดีนะคือข้อที่หนึ่งคือการให้แนะนำอย่างดีแนะนำดีเนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลที่คุณเอามาให้นะเป็นสิ่งที่ดี นะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมนะคือสมมุติว่าถ้าสอนวิชาลักขโมยสอนวิชาโกงอย่างนี้ถือว่าแนะนําไม่ดีนะทีนี้แนะนําดีก็คืออะไรให้สอนให้เป็นคนซื่อสัตย์สอนวิชาฟิสิกส์ก็ตามคณิตศสาสตร์ก็ตามสอนเลขาคณิตก็สอนในข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องนะนี่คือแนะนําด<ะ>ีสองคือให้ศึกษาดีนะักศึกษาดีเนี่ยหมายถึงองค์ประกอบในการเรียนรู้นะจัดไว้อย่างดี เ, ออเช่นอุปกรณ์ในการเรียนดี อมีห้องหับอย่างดีมีเครื่องแบบอะไรพวกเนี้ยคือการให้ศึกษาดีนักเรียนามานจบตังกันตรงนี้แล้วก็มีการที่บอกศิลปวิทยาโดยสิ้นเชิงไม่มีกักนะให้เปิดหมดนะให้รู้ให้เรียนให้ศึกษาอย่างเต็มที่อันนี้คือหน้าที่ที่คุณครูจะต้องมีต่อต่อนทักเรียนหลักค่ะอย่างกับทางโลกเนี่ยที่เห็นเห็นกันอยู่เรากําลังจะมีวันเด็กแห่งชาติเดืนพันเพราะแสดงว่าเราให้ความสําคัญกับเด็กมาก เขาจะเป็นอนาคตในการที่จะมาสร้างสรรคสังคมต่อไปก็อยากทราบว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ให้ความสาคัญกับเด็กอย่างไรหรือไม่คะเอ่อจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นเอ่อเป็นค า, ารวาสหรือว่าที่โตแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีความเมตตามีความกรุณาหมดนะมีมีครั้งหนึ่งที่ไปเทศให้เด็กฟังก็มีนะคือตอนนั้นเ<ม>นี่นยอามีตอนนั้นพระพุทธเจ้าเดินไปบินธบาตแล้วก็เห็น<อ>เด็กหลายๆคนเลยละ่ะเขากำลังตีงูอยู่ ตีงูตีงูให้คือก็เลยถามเด็กว่าทําอะไรเด็กก็บอกว่าตีงูพระพุทธเจก็เลยบอกว่าตีงูเนี่ยมันตัวเองหวังความปลอดภัยกับตัวเองแต่ว่าดันไปเบียดเบียนเขาไอ้ความเบียดเบียนเนี่ยจะไม่ได้นํามาซึ่งความปลอดภัยให้ตัวเองนะก็สอนเด็กในลักษณะนี้ค่ะก็มีมีอยู่ค่ะถ้คือว่าเมตตาเท่าเท่ากันใช่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าเท่าที่ฟังในดูเหมือนกับว่าท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความประพฤติ ที่จะไม่เบียดเบียนใช่ใช่ไหมคะในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์เนอะค่ะก็คงจะหมายถึงเรื่องอื่นด้วยแหละที่ท่านพยายามสอนพวกเราทุกๆคนค่ะท่านคะแล้วเราก็อยากจะให้รายการสนสนาสนทนานั้นเป็นประโยชน์กับเด็กไทยเป็นประโยชน์กับคนที่มีเด็กในการ ปกครองซึ่งจะต้องสนับสนุนส่งเสริมเขาได้ธรรมะเอาไปใช้มีธรรมะเพิ่มเติมให้กับติกเด็กไทยอีกไหมคะท่านคะเด็กเนี่ยเรื่องของเด็กที่พระเจ้าสอนนอกจากว่าให้มีความเอ็นดูเกื้อกูลอย่างในกรณีของของสัตว์ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังสอนเด็กอีกนะสอนลูกเด็กเล็กๆเนี่ยที่โตแล้วพอจะรู้เรื่องได้เนี่ยว่าหน้าที่ของบุตรนะของลูกของเด็กเนี่ยที่จะมีต่อมารดาบิดาหรือผู้ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยก็มี นัคือพ่อแม่หรือบางคนอาจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่อยู่กับผู้ปกครองนะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบุญคุณนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่อุปการรผู้อื่นก่อนเป็นผู้ที่บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรธิดาทั้งหลายในคุณธรรมคือความอุปการรัผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็น1ใน2อย่างที่ทําให้โลกนี้มันตั้งอยู่ได้ดําเนินไปได้นี่คืออันที่1นทีนี้ขาที่2ที่พูดถึงว่าจะทําให้โลกตั้งอยู่ได้เนี่ยก็คือการที่เราตอบแทนบุญคุณท่าน การที่เราตอบแทนเห็นความดีความงามตรงนั้นคือมีความกระตันยูกระต่าเวที่ตาดัะนั้นหน้าที่ที่เด็กเนี่ยควรจะต้องทำก็คือมีการตอบแทนตรงนี้โดยการที่เราอุปการะลูกหลานต่อไปที่เราจะมีหรือว่าตอบแทนบุญคุณของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหน้าที่ที่พระเจ้าจึงบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็คือให้เป็นผู้ที่รู้จักการทำกิจการงานให้พ่อแม่ให้ผู้ปกครองนั้น บางทีท่านสั่งไปซื้ออะไรทําอะไรเราก็ช่วยกิจการงานของบ้านทําความสะอาดลดน้ําต้นไม้เก็บข้าวของให้เรียบร้อยอันนี้เราควรจะต้องทำํำนะตอนตอนเด็ ก, ดกๆนมาจําได้แม่โยแม่ให้ไปซื้อโอเลี้ยงนะเราก็เดินไปซื้อเอาเลี้ยงให้ยังไงก็คือทํากิจการงานของท่านนะหรือให้ลดน้ําต้นไม้ให้อาหารสัตว์เราก็จัดการดูแลให้ดีนะแล้วก็อันที่2องนะคือบางทีเรามีความสามารถพอที่จะเลี้ยงท่านได้ เราก็จึงต้องเลี้ยงท่านตอบทนะ่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบอันนี้จะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทํานอกจากการที่เราต้องเลี้ยงดูท่านตอบแล้วในะบางคนก็ไปทํางานพิเศษต่างๆก็แบ่งปันเงินให้หรือซื้อของมาฝากอันนี้ควรทําอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญเลยนะคือการรู้จักดํารงวงสกุลการดํารงวงสกุลในที่นี้หมายถึงการที่ดํารงอยู่ในอริยวงอริยะวงอริยะวงในที่นี้ก็คือหมายถึงสากยศวงศ์สากยศวงศ์ นั่นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย เ, เป็นสมณะในศักกะยะใช่ไหมเป็นมีสกุลสักยะซึ่งคนส่วนใหญ่ในสกุลสักยะเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นคือรักษาศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นไอความหมายที่ว่าเราจะดํารงวงสกุลเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รักษาศีลสมาธิปัญญาของเราให้ดีนะมีการปฏิบัติตามมรรคเนองแเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยต้องเป็นเด็กดีล่ะถ้ามีศีลไม่พูดโกหก นะ่ารู้จักฝึกปฏิบัติสมาธิบ้างทําจิตให้ตั้งมั่นบ้างแล้วก็มีปัญญาในการศึกษาความรู้พวกนี้นะ่าเป็นเด็กดีแน่ค่ ะ, ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคือการปฏิบัติตนเป็นทายาททายาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าพอมาดาบิดามอบมรดกมาเราก็ต้องรักษามรดกนะทําทายาทด้วยความเป็นทายาทตรงนั้นให้ดีทายาทตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคจะต้องเป็นสมบัติที่เป็นเงินเป็นทองหรือเป็นสิ่งของอย่างนี้เท่านั้น แต่หมายถึงบางทีคุณธรรมใดๆที่มารดาบิดาเรามีเนี่ยใช่บางที อ, อย่างคนอิสารเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีรูปภาพหรือว่ามีเทคโนโลยีเนี่ยนะแม่เนี่ยพอเวลาลูกไปรบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะ ต, ตัดตีนสินส้นสินส้นเนี่ยหมายถึงผ้าถุงะน ะ, ะตัดตีนผ้าถุงเนี่ยให้ลูกเก็บเอาไว้นะให้<อ>ลูกเก็บอ่าใช่เพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยนึกถึงมารดาบิดานี้เป็นสิ่งดีนะเรารับตรงนี้มาเป็นมรดก หนาะเป็นมรดกแล้วเราเป็นทายาทของมรดกนี้เราก็ตั้งไว้ในคุณธรรมสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เรารับมานะให้เราเป็นคนดีตรงนี้ได้แล้วสําหรับบางคนเนี่ยคือบางทีพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะหรือว่าผู้ปกครองไม่อยู่แล้วน ะ, เ ร, เ, นระววเราก็ต้องท่านทําการะล่วงรับไปแล้วเราก็ต้องทําบุญอุทิศให้ท่านนะทําสักศีลาทานอุทิศให้อันนี้ถึงจะถูกก็ครบถ้วนตามหน้าที่ของเราอันนี้หนะมายถึงหน้าที่ของเด็กใช่ใช่ คือดิฉันคิดว่าถาเด็กทําได้อย่างเนี้โอ้โหผู้ปครองมีความสุขมากนะคะดูเหมือนก็ว่ารู้ว่าตัวเองต้องควรทําอะไรแต่ดิฉันก็เชื่อว่าควจะมีผู้ปกครองอีกเป็นจำนวนไม่น้อยนั่งฟังท่านพิบูลอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันสอนยากสอนเย็นแล้วนะลูกเนี่ยจะให้มาสอนตอนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะมีแต่ว่าพ่อแม่ต้องคอยดูว่าหนูจะเอาอะไรจะทานอะไรจะไปไหนทําในสิ่งที่โดยปกติพ่อแม่ก็คงรู้สึกว่าไม่อยากทําอ่ะแต่ ลูกเหมือนเทวดาตัวน้อยอบางทีตัวใหญ่แล้วนะคะพ่อแม่ยังดูว่าเป็นตัวน้อยอยู่เลยอ อ, อันนี้เป็นหน้าที่ไงแสดงว่าคือเราจะตัดเรื่องของเด็กแกะดําออกไปก่อนนะเอาเด็กทั่วทั่วไปเอาเด็กทัท่วทไปก่อนนะแสดงว่าเราเนี่ยอบรมเขาไม่ดีนะตอนที่ไม่ได้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีไม่ได้ห้ามเขาเสียจากบาปนะตอนที่เขาจะเอาแต่ใจตอนที่ไม่มีเหตุผลทําอะไรไม่ถูกคุณไม่รู้จักลงโทษไม่รู้จักให้ห้ามเขาเสียจากบาปแล้วตอนนี้คุณจะมาบ่นอะไรนะไม่ได้รู้จักให้เขาตั้งอยู่ในความดี แต่ก็ถ้าคุณไม่ได้รู้จักให้เขาทำตั้งอยู่ในความดีไม่ได้ให้เขาห้ามเสียจากบาปก็แสดงว่าไม่ได้มอบมรดกนี้ให้มันก็มันก็เสียตรงนี้ลหละแต่นี้<ข>พูดถึงเด็กแกะดำนี้ก็คือไม่ว่าเราจะทำดียังไงมันก็ชั่วนะเราก็ยกไว้ใ<ข>นกรณีนั้นค่ะนะคะเวลาใกล้จะหมดที่ฉันอาจจะต้องเร่งท่านนิดหนึ่งในตอนท้ายยังไงกลับนวัฒ ก, การขอบพระคุณท่านวิบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแจ่าานจาป ด้นฝั่ที่ครรอค่ารายการนี้สันนิษฐานนะคะเห็นว่าในวันพรุ่งนี้นจะเป็นวันเด็กก็เลยพูดถึงเรื่องผู้ท้วชนะกับเด็กๆแล้วท่านไปบุญก็ได้พูดถึงหน้าที่ที่ผู้ปกครองพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กควรทํามากที่สุดกับหน้าที่ที่ลูกเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อนะคะว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากทุ่มเทเวลาให้กับเขาในยามวัยต้นนะคะให้รู้ธรรมะด้วย แล้วเป็นธรรมะที่ใช้ในชีวิตได้ตลอดคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความสุขลูกก็จะเจริญก้าวหน้าปลอดภยัยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยกันมากวันนี้เราก็คงจะลากไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็พบกันใหม่ในวันจันทร์ดิฉันเชื่อว่าการมีธรรมะที่เราได้พยายามมอบให้กับท่านทั้งหลายมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่หากจําไม่ได้เนี่ยรวมลงที่เรื่องของสติ ในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่านก็ยังจะคงเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ได้พบกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะพุทธวสตรีค่ะ